สแสวงหาความสุขทุกวิธีทางเพื่อได้มาซึ่งความสุขและในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงหลีกหนีจากความทุกข์ไปให้ไกลแสนไกลหนีความทุกข์ไปจนสุดโลกเลยก็ว่านา่านี่แหละคือความต้องการของทุกชีวิตนั่น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 เหตุของความทุกข์ก็มีมากเพรา ะ, ะนั้นเราจะสงสัยว่า ه, ทําไมเรามีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทาไมความสุขมันมีน้อยเหลือเกินทําไมจึงมีความทุกข์มากอันนี้เป็นเพราะว่าเรายังดําเนินชีวิตยังไม่ถูกต้องดําเนินชีวิตไปแต่ละวันเลย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 มันก็มีสาเหตุอาจจะเกิดมาจากความผิดหวังหวังสิ่งใดแล้วไม่ได้ยินใจหวังหรือหมดหวังไปเลยก็ได้บางอย่างบางทีเราหมดหวังไปเลยหมดอนาคตไปเลยเนี่ยไม่มีความหวังเพราะว่าหมดหวังไปแล้วหรือมีความหวังขึ้นมาแล้วไม่ได้ยังใจหวังเนี่ย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 สมวนมากมองในแง่ที่ว่าอารมณ์ที่ทําให้ใจเป็นทุกข์อารมณ์ที่ไม่ได้ยังใจความผิดหวังความสูญเสียความพัดพลากมันตกไปจากปกติในฝ่ายของความทุกข์แต่ถ้าเป็นความสุขะความชื่นชมยินดีความภูมิ อ, อกภูมิใจดี อ, อกดีใจแล้วก็ว่าจิตไม่ตกที่จริงแล้วก็ตกเหมือนกันนะ ไปใทางบวกก็ตกเพราะว่าจิตเราเนี่ยเสียความเป็นปกติไปจิตที่เป็นปกติเนี่ยคือความไม่ินดีิีร้ายมีสติรู้อยู่เนี่เป็นบรรทัดฐานของจิตแต่เป็นฝ่ายดีแล้วก็เราก็ว่าไม่ตกแต่ฝ่ายไม่ดีแล้วก็เราว่าจิตมันตกไม่เป็นไรถ้าจิตมันตกเราก็เก็บมันขึ้นมาซะจิตของเราอะใจเคสเก็บให้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 คิดเรื่องธรรมะเนี่ยมันไม่ตกหรอกจิตไม่ทุกข์หรอกธรรมะเป็นเรื่องของกุศลถ้าใครคิดใครฟังใครอ่านเท่าเราก็จิตใจมันจะดีขึ้นอย่างเช่นอ่ะความไม่เที่ยงความไม่ติ่นตัวไม่ถิ่ตนความว่างความไม่ยึดมั่นหรือมั่นความปล่อยวางลองเอามาหัวข้อธรรมนี้มาคุ้มคิดดูสิจิตใจเราจะดีขึ้น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 จิตมันจะฟูขึ้นมานะนึกถึงความดีที่เราทําไว้เรื่องอาจจะฝึกสวดมนต์นะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสภควาสวดคาถาจิดบัญชรสวดพาหงุงฝึกแผ่เมตตาเนี่ยนี่เป็นการปรุงแต่งจิตใจเราทั้งนั้นเรื่องอาจจะไปพบปะกับกาลยานามิตรคนที่เรารักหรือศรัทธา ไปพูดคุยแล้วจะหาอะไรทําหางานที่เราชอบง่ายๆใกล้ๆตัวเราแต่ขอให้เป็นงานที่ไม่เบีดเบียนตัวเราให้เดือดร้อนไม่เบีดเบียนผูอื่นให้เดือดร้อนหางานทําเมื่อจิตตกจะอยู่เฉยๆจิตมันจะตกต่ำไปอีกถ้าเรายังอยู่เฉยๆคลุ่นคิดอยู่ในอารมณ์ที่ทําให้จิตมันเป็นทุกข์หางานทํา แต่สิ่งนี้สำคัญก็คืออย่าไปพึ่งอบา ย, ยามกุกอย่าไปดื่มสุราเพื่อรักษาใจสุราเพื่อย้อมใจไม่ใช่เอ็นน้ประทุษร้ายสติเนี่ยอย่าไปสนใจมันมันทำจิตเราตกหนักมากยิ่งขึ้นอย่าไปพึ่งสุราอย่าไปซึ่งสิ่งเจ็บติดถ้าจะให้ดีแล้วก็มีอยู่วิธีการหนึ่งที่จะรักษาจิตตกในนั้น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 เข้ามาครอบงำจิตเมื่อฝึกสติดีแล้วจะรักษาจิตให้เหมือนอย่างกับใบบัวอารมณ์ต่างๆเป็นเสมือนหยดน้าหยดน้ำเนี่ยเมื่อหยดลงไปใบบัวแล้วเนี่ยมันก็ไม่ติดกันนะใบบัวก็จะไม่ซึมซับเอาน้ำนั้นไว้ถ้าเราไม่ฝึกจิตไม่ฝึกสติจิตเราเนี่ยจะเหมือนอย่างกับกระดาษเมื่อน้าหยดไปแล้วกระดาษก็ขาด ยุวยเพราะนั้นชีวิตเราแต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยอย่าลืมสติอย่าทิ้งสติฝึกสติรู้สึกตัวอยู่หนึ่งเนืองกับการกระทำงานต่างๆและจิตใจเราก็จะดีใบบัวเนี่ยมันไม่ติดน้ำเพราะใบสดชื่นด้วยฉั้นใดจิตที่มีสติคุุมครองดีแล้วเนี่ยก็ไม่ติดอารมณ์ได้ฉันนั้น